วันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่21สกรกฎาคมพุทธศักราชสอง7นห้าร้อยหกสิบเจ็ดเป็นวันเข้าพรรษาคือเป็นวันแรกของการอยู่กับที่อยู่จำพรรษาตลอดระยะเวลาสามเดือนนับตั้งแต่วันนี้คือวัน รมหนึ่งค่ำเดือน8ไปจนถึงวันขึ้นส5บห้าค่ำเดือนส1เอเป็นระยะเวลาที่พระภิกษุและสมมามเนินจะต้องอยู่กับที่ไม่เดินทางจราดิกไปไหนมาไหนยกเว้นถ้ามีกรณีฉุกเฉินมีเหตุจำเป็นเช่น ถ้าไปรักษาบิดามารดาครูบาอาจารย์ที่เจ็บไข้ได้ป่วยก็เป็นเหตุที่สามารถลาไปได้หรือถ้ามีสิ่งชำรุดทุดโทมกุติวิหารต้องไปหาอุปกรณ์มาเพื่อมาซ่อมแซมก็สามารถไปได้หรือ ถ้ามีเพื่อนภิกษุจะลาสิกขาคิดอยากจะลาสิกขาถ้าไปห้ามไม่ให้ท่านลาสิกขาได้ก็ไปได้หรือถ้ามีศรัทธาญาติโยมจะทำบุญต่างๆแล้วมีกิจนิมนต์ก็สามารถลาไปได้ไปได้ไม่เกินเจ็ดวันต้องกลับมาก่อน ลังก่อ น, ก, อนก่อนที่จะเกินเจ็ดวันถ้าไม่กลับมาหรือเกินเจ็ดวันถือว่าเป็นการขาดพรรษาก็จะมีการถูกปรับโทษปรับอาบัติถ้าเปรียบเทียบหรือนนักเรียนก็เหมือนถูกตัดคะแนนความประพฤติลงว่าไม่ประพฤติตนเองให้เหมาะสมต่อความเป็นพระภิกษุ แล้วก็มีบทลงโทษข้อหนึ่งก็คือไม่ให้รับผ้ากถินซึ่งบทลงโทษข้อนี้ก็เป็นเป็นบทที่หนับพอสมควรเพราะในยุคนั้นจะหาผ้าได้ยากแล้วก็จะมีการถวายผ้ากถินได้ปีละหนึ่งครั้งเท่านั้นเองถ้าถูกตัด ไม่ให้ได้รับผ้ากระถินก็จำเป็นที่จะต้องใช้ผ้าเก่าหรือจะต้องไปหาผ้าที่ทิ้งไว้ตามป่าช้าหรือตามกองขยะมาทำเป็นผ้าจีวรหรือสบงเป็นต้นนี่คือการจำพรรษาของพระภิกษุและสัมมเนรไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็าตาม อยู่ในต่างประเทศตอนนี้ก็ต้องจำพรรษาเหมือนกันไม่มีข้อยกเว้นเหตุที่มาซึ่งการจำภรรษานี้ก็เนื่องจากว่าในสมัยนั้นเป็นยุคแรกๆของการประกาศพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าพระที่มาบวชกันนี้ก็มักจะเป็นพระปฏิบัติคือเป็นพระปฏิบัติข้อทุดลงขวัตต่างๆ ที่เราเรียกว่าพระทุดงกรรมฐานพระทุดงนี้ท่านนิยมที่จะไปจาริกตามสถานที่สงบเงียบตามป่าตามเขาเพื่อเป็นการเจริญการบำเพ็ญจิตตะภาวนาให้ได้ผลดีท่านก็เลยมีการเดินทุดงไปตามป่าตามเขา ในการเดินธุดงน์นี้บางครั้งท่านก็ต้องเดินลัดทุ่งลัดนา <c oughs> ซึ่งในช่วงที่เป็นช่วงหน้าแล้งก็ไม่มีปัญหาอะไรแต่พอถึงช่วงฤดูฝนชาวนาวชาวไร่ก็จะมีการเพาะปลูกพืชต่างๆภานินี่ยังจะเล็กเดินธุดงษ์ไปหาสถานที่ปฏิบัติธรรมกัน บางครั้งบางองค์ก็อาจจะเดินลัดทุ่งนานโดยไม่ได้มีเจตนาแล้วก็ไปเหยียบย่ำทำให้พืชที่ชาวนาชาวไร่เพาะปลูกไว้เกิดความเสียหายขึ้นมาชาวนาวชาวไร่ผู้ดเดือดร้อนก็เลยเข้ามากราบทุนพระพุทธเจ้าถึงความเสียหายเดือดร้อน <c oughs> พอพระพุทธเจ้าได้ทรงคัราบก็เลยทรงมีบัญญัติ มีข้อบังคับให้พระภิกษุและสามเณรและภิกษุณีในสมัยนั้นให้อยู่จำพรรษาตลอดระยะเวลาเก้าสิบวันหนึ่งไตรมาสสามเดือนไม่ให้ไปไหนมาไหนเหมือนที่เคยทำในช่วงออกพรรษายกเว้นในกรณีที่ได้กล่าวมาถึงแล้ว ก็ไปได้ไม่เกินเจ็ดวันนี่คือเรื่องของการช่ำภรรษาของพระภิกษุในพระพุทธศาสนามีการกระทามาอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่วันที่พระพุทธเจ้าได้ทรงบัญญัติข้อบังคับนี้ขึ้นมาและในช่วงเข้าพรรษานี้ก็มักจะมีการ ถวายของอยู่สองอย่างด้วยกันที่ที่เราคงจะทราบกันก็คือถวายผ้าอาบน้ำฝนและถวายเทียนอยู่จำพรรษา <S <S <S <S เรื่องของการถวายเทียนนั้นก็เป็นเพราะว่าสมัยก่อนไม่มีไฟฟ้าเหมือนสมัยนี้ต้องใช้ใช้แสงเทียนเป็นหลักก็เลย มีความนิยมที่จะถวายเทียนให้กับพระภิกษุที่อยู่จำพรรษากันจะได้ใช้ไว้ในยามค่ําคืนเพื่อที่จะได้ใช้กับการศึกษาหรือใช้กับการปฏิบัติไหว้พระสวดมนต์เดินจงกรมเป็นต้นในยามค่ําคืนจําเป็นที่จะต้องมีแสงสว่าง เพราะพระปฏิบัตินี้ท่านจะปฏิบัติตลอดเวลายกเว้นเวลาที่ท่านพักขอหลับนอนสามที่พุเจ้าได้ท่งสอนให้พระภิกษุได้ปฏิบัติคือตั้งแต่หกโมงเย็นไปถึงสี่ทุ่มส่งสอนให้พระภิกษุปฏิบัติจเจริญสตินั่งสมาธิหรือจเจริญปัญญาด้วยการนั่งสมาธิหรือด้วยการเดินจงกรม แล้วพอถึงสี่ทุม่มถึงสองถึงตีสองก็ให้พักผ่อนหลับนอนสี่ชั่วโมงหลังจากตีสองให้ให้ตื่นขึ้นมาแล้วก็ให้ปฏิบัติต่อให้เจริญสติเดินจงกรมนั่งสมาธิส่วนใหญ่มักจะเดินจงกรมเพราะถ้านั่งสมาธิก็อาจจะหลับได้ก็เลยจะเดินจงกรมเป็น ส่วนใหญ่จนไม่รู้สึกง่วงนอนแล้วถึงค่อยกลับมานั่งสมาธิใหม่ก็ให้ปฏิบัติเดินจยกรมสลับกับการนั่งสมาธิไปจนถึงเช้าตอนหกโมงเช้าก็ออกบินทะบาทออกบินทะบาทก็ทำภารกิจต่างๆบิณทะบาทขบฉันทำความสะอาดสถานที่ต่างๆก็ให้มีสติอยู่กับการกระทำเหล่านั้นเพราะการเจริญสตินี้ เป็นสิ่งที่จำเป็นต่อการพัฒนาจิตใจให้เข้าสู่ความสงบให้เข้าสู่ความรู้ความฉลาดของปัญญาดังนั้นการมีเทียนใช้ในยามค่ำคืนจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นในสมัยก่อนไม่มีไฟฟ้าเหมือนสมัยนี้ก็เลยนิยมเป็นประเพณีนิยมกันถวายเทียนกัน และอีกอย่างหนึ่งที่นิยมถวายกันให้กับพระก็คือการถวายผ้าอน้ําฝนผ้าอน้ําฝนนี้ก็มีที่มาที่ไปคือในยุคแรกๆนั้นยังไม่มีการถวายผ้ากรถิน่นผ้าภิกษุก็ต้องไปหาเก็บผ้าตามป่าชา้าผ้าที่เขาใช้หอ่อศพมาตัดมาเย็บมาซักมาย้อมมาทําเป็นจีวรนะ สบงก็จะมีผ้าน้อยมีส่วนใหญ่ก็จะมีกันแค่สองชิ้นคือผ้านุ่งผ้าสบงหนึ่งชิ้นแล้วก็ผ้าห่มหนึ่งชิ้นดังนั้นช่วงในฤดูฝนนี้เวลามีฝนตกท่านก็มักจะนิยมอาบน้ำฝนกันแล้วถ้าท่านอยู่ในวัดช่วงช่วงอาบน้ำฝนก็จะไม่มีใครเข้ามาพลุกผ้าในวัดท่านก็จะเปิยกายอาบน้าฝนกัน ที่นี้มีวันหนึ่งนางวิสาขาซึ่งเป็นพระอริยบุคคลคารวะผู้มีจิตศรัทธาตั้งมั่นอยู่ในพระพุทธระทนาใรมีศรัทธาในองค์พระพุทธเจ้าคอยอุปถัมมอุปถาพระพุทธเจ้าอย่างต่อเนื่อง mm. ก็มีความปรารถนาอยากจะถวายน้ำปานะให้กับพระภิกษุที่อยู่จำบรรษา mm. ก็เลยส่งสาวใช้ให้ไปดู ที่วัดว่ามีพระภิกษุกี่ลูกเพื่อที่จะได้เตรียมน้ำปนานะให้ครบพอกับพระที่มีอยู่เวลาที่นางสาวใช้ไปถึงวัดก็พอดีเกิดฝนตกหนักขึ้นมาก็ปรากฏมีพระออกมาอาบน้ำเปื่อยกายอาบน้ำฝนกันสาวใช้ก็ตกใจก็กลับมารายงานให้กับนางวิสาขา ว, ว่าตอนนี้ไม่มีพระเลยมีแต่ชีปเปื่อย มาอยู่กันอ่ามน้ําฝนกันตอนนัวิสาขาได้ฟังเข้าก็เกิดความเข้าใจว่าถ้าท่านมีผ้าน้อยถ้าท่านอาผ้าที่ท่านรุ่งเป็นปกติมานุ่งอาบน้ําฝนเดี๋ยวอาบเสร็จแล้วท่านก็จะไม่มีผ้าเปลี่ยนก็เลยไปกราบทูลพระพุทธเจ้าขออนุญาตถวายผ้า อ, อาบน้ําฝนให้กับผ้าิกสุในช่วงเข้าพรรษานี้ น, นี่ก็คือเรื่องของที่มาของการเข้าปรญษาของการประเพณีถวายของสองอย่างคือเทียนไว้สำหรับเป็นแสงสว่างและผ้าอาบน้ำฝนซึ่งในยุคนี้ก็เป็นเหมือนกับเป็นของที่ไม่มีความจำเป็นเสียแล้วเพราะผ้าก็มีมีมากมาย มีทั้งผ้ากรถิ่นทั้งผ้าป่าทั้งผ้าอะไรต่างๆที่ญาติโยมมีการถวายกันอยู่อย่างต่อเ น, นื่องแล้วก็ไฟก็มีไฟฟ้าส่วนใหญ่ก็ใช้ไฟฟ้ากันยกเว้นถ้าเป็นวัดสายปฏิบัติที่ท่านยังรักษาประเพณีเดิมอยู่ท่านก็ยังใช้เทียนใช้ตะเกียงกันเป็นแสงสว่างในยามค่าคืน การบวชการเข้าพรรษานี้ก็มีประเพณีอีกอย่างก็คือผู้ชายที่มีวัย2ี่สิบปีขึ้นไปก็มักจะใช้เวลาช่วงเข้าพรรษาสามเดือนนี้มาบวชมาศึกษามาปฏิบัติพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเพื่อบรรลุธรรมขั้นต่างๆเป็นเป็นธรรมเนียมของชาวไทยซึ่งเชื่อว่าเป็นการ ทดแทนบุญคุณให้กับบิดามารดาผู้มีพระคุณต่อลูกๆเพื่อที่บิดามารดาจะได้อาศัยเกาะชายผ้าเหลืองไปสวรรค์ด้วยอันนี้เป็นความเชื่อในช่วงเข้าพรรษาจึงมีชายไทยจะมาบวชกันเพิ่มมากขึ้นแล้วก็ทำให้การ ความต้องการใช้เทียนมีเพิ่มมากขึ้นนั่นเองก็เลยมีการจัดจัดถวายเรื่องเทียนส่วนเรื่องของการเจาะเกาะชายผ้าเหลืองเพื่อไปสวรรค์ของบิดามารดา น, นั้นก็เป็นเรื่องที่เป็นเรื่องที่จริงและไม่จริงขึ้นอยู่กับกรณีคือถ้าเวลาลูกมาบวชลูกชายมาบวชที่วัด บิดามารดาก็มักจะต้องมาเยี่ยมลูกเวลามาเยี่ยมลูกมาที่วัดก็จะได้มาทากิจกรรมที่มีในวัดก็คือมีการทำบุญใส่บาทมีการรักษาศีลถวายสังฆทานฟังเทศน์ฟังธรรมและมีการปฏิบัติธรรมก็จะทำให้บิดามารดาซึ่งถ้าลูกไม่ได้มาบวชก็อาจจะไม่ได้เข้าวัด พ่อ ม, มัวแต่ไปยุ่งเกี่ยวกับการทํามาหากินทําธุรกิจอะไรต่างๆเวลาจึงแม่จะไม่ค่อยมีให้กับการมาวัดแต่พอลูกมาบวชความผูกพันของพ่อแม่ต่อลูกก็จะทําให้พ่อแม่จะต้องคอยมาเยี่ยมอยู่เรื่อยๆบางทีก็มาเป็นประจําอาทิตย์ละหนึ่งครั้งในวันพระวันที่สะดวกวันที่หยุดทํางาน พอได้มาเข้าวัดก็เลยได้มีโอกาสได้ฟังเทศฟังธรรมได้ปฏิบัติทำตามคาสอนของพระพุทธเจ้าก็เกิดความสุขใจเกิดความสงบใจขึ้นมาอันนี้แหละคือผลอนุสงของการศึกษาของการปฏิบัติธรรมทำให้จิตใจมีความสุขมีความสงบความสุขความสงบนี้ก็คือสวรรค์ชั้นต่างๆนี่เอง ไปจนถึงขั้นสูงสุดก็คือสวรรค์ชั้นพระนิพพานอันนี้ก็เกิดขึ้นได้เพราะเหตุว่ามีลูกมาบวชแล้วก็เลยทำให้พ่อแม่ซึ่งมักจะไม่มีไม่มีเวลาว่างพอที่จะมาวัดอย่างต่อเนื่องก็จะหาเวลามาเพราะความผูกพันความหวงใหลลูกนั่นเองและหลังจากที่บวชลูกเสึกไปแล้ว บางพ่อแม่บางคนก็ที่ไม่เคยเข้าวัดอย่างสม่าเสมอก็กลับเข้าวัดอย่างสม่าเสมอพราเมื่อได้เริ่มเข้าวัดได้ทำกิจกรรมต่างๆที่มีอยู่ในวัดแล้ว่มเกิดความประทับใจเกิดความศรัทธามากขึ้นในพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าก็เข้ามาปฏิบัติต่ออย่างต่อเนื่องถึงแม้ว่าลูกจะศึกไปแล้วลูกจะไม่ได้กลับไม่ได้อยู่วัดแล้วก็ตาม แตะอา น, นิสงส์ของการได้ศึกษาได้ปฏิบัติธรรมทำให้ได้สัมผัสรับรู้กับผลนั้นเลิ่อันประเสริฐที่เกิดขึ้นในใจของผู้ปฏิบัติจึงทำให้สามารถที่จะปฏิบัติเพิ่มขึ้นไปตามลำดับได้อันนี้แหละที่จะเป็นเหตุที่จะทำให้พ่อแม่ได้ไปสวรรค์ชั้นต่างๆหรืออาจจะไปถึงขั้นพระนิพพานได้เลยก็มี เป็นเพราะว่าเหตุเกิดจากการที่มีลูกมาบวชในวัดถ้าลูกไม่ได้มาบวชในวัดนี้พ่อแม่ก็จะไม่มีเหตุผลพอที่จะมาเข้าวัดยกเว้นวันสําคัญสำคัญเช่นวันนี้วันวันหยุดวันหยุดสําคัญทางศาสนาเช่นวันวิสาขะวันอาสาฬหะเป็นต้นแต่ถ้าปกติแล้วก็จะไม่ได้เข้ามาวัดอย่างต่อเนื่องอันนี้ก็เป็นเรื่องของการเกาะชายผ้าเหลือ ทำลูกบวชแล้วพ่อแม่ก็ได้เกาะชายผ้าเหลืองไปสวรรค์ด้วยแต่ถ้าในกรณีที่เมื่อลูกบวชแล้วพ่อแม่ก็ยังไม่เคยเข้ามามาวัดมาวัดเลยเพราะยังยุ่งกับการธุรกิจการทำมาหากินอยู่เวลาที่จะมาเข้าวัดก็ยังไม่มีพออย่างนี้ก็จะไม่ได้ขึ้นสวรรค์ไม่ได้เกาะชายผ้าเหลืองขึ้นสวรรค์ไปอย่างไดเพราะการจะไปสวรรค์เกาะชายผ้าเหลืองนี้ต้องไปด้วยการศึกษา ด้วยการปฏิบัติธรรมตามคําสั่งคําสอนของพระพุทธเจ้าเท่านั้นถึงจะบรรลุสวรรค์ชั้นต่างๆได้ตั้งแต่สวรรค์ชั้นเทพขึ้นไปสู่สวรรค์ชั้นพรหมไปสู่สวรรค์ชั้นพระอริยบุคคลไปสู่สวรรค์ชั้นพระนิพพานได้ต้องเกิดจากการได้มีโอกาสเข้าวัดได้ยินได้ฟังพระธรรมคําำคำสั่งคําสอนของพระพุทธเจ้า แล้วนำาคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าไปปฏิบัติเพื่อให้เกิดผลขึ้นมาทำตามตใจให้สงบให้เกิดความสุขให้เกิดความสว่างมีดวงตาเห็นธรรม mm hmm. เห็นสิ่งต่างๆว่าเป็นกองทุกข์ที่กิเลสตัณหาหลอกให้เห็นว่าเป็นกองสุขก็เลยทําให้มาติดอยู่กับกองทุกข์ทุกข์อยู่กับเรื่องราวต่างๆตั้งแต่เกิดมาจนถึงวันตาย พอได้มาศึกษาได้ปฏิบัติแล้วก็เริ่มบรรเทาความทุกข์ต่างๆให้เบาบางให้น้อยลงไปยิ่งเกิดมีความศรัทธาที่อยากจะปฏิบัติยิ่งๆขึ้นไปในช่วงเขา้าพรรษานี้จึงเป็นธรรมเนียมของชาวพุทธเราที่จะมาเล่งความเพียรกั น, นไหนๆก็มีพระหรือมีญาติมาบวชกันแล้วเขาก็มาปฏิบัติมาศึกษาปฏิบัติธรรม ผู้ที่เป็นญาติเป็นพี่น้องก็อยากที่จะมาร่วมปฏิบัติด้วยก็<ม>จะมาทำความเพียรต่างๆตามที่พระเจ้าได้ส่งสอนไว้ในมรรคปดข้อที่ว่าสัมมาวายาโมคือความเพียรชอบความเพียรชอบนี้มีลักษณะอย่างไร การเพียรชอบนี้ผู้เจ้าทรงสอนว่าให้เพียรหนึ่งให้เพียรสร้างบุญสร้างกุศลที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นมาภายในใจสองให้เพียรรักษาบุญกุศลที่เกิดขึ้นแล้วที่มีอยู่ในใจไม่ให้โหดหายไปสให้เพียรละการกระทำบาปอกุศลต่างๆให้หมดสิ้นไปจากใจ และสี่ให้เพียรป้องกันบาปอกุศลที่ได้ละแล้วไม่ให้หูนกลับเข้ามาสู่ในใจอีกต่อไปนี่คือลักษณะของความเพียรชอบการปฏิบัติธรรม <c oughs> <c oughs> เพื่อให้หลุดพ้นจากความทุกนี้จำเป็นที่จะต้องสร้างบุญสร้างกุศลทดแทนกับการเอาบาปและอกุศลให้ออกไปจากใจให้ได้ ถ้าสามารถทำได้แล้ว <c oughs> ผลนันเลิศอันประเสริฐต่างๆคือมรรคผลนิพพานมรรคสีผลสีลนิพพาน่างก็จะเป็นผลที่จะตามมาอย่างแน่นอนเพราะผลเหล่านี้ไม่ได้เกิดจากความศรัทธาเพียงอย่างเดียวไม่ได้เกิดจากการเรียนธรรมะเพียงอย่างเดียวแต่จาเป็นที่จะต้องเกิดจากการปฏิบัติ ด, ด้วยเบื้องต้นก็ต้องมีศรัทธามีความเชื่อ ในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ว่าเป็นผู้รู้รู้จริงเห็นจริงผู้ที่ได้หลุดพ้นจากกองทุกข์อย่างแท้จริงผู้ที่เห็นผู้ที่รู้ทางที่จะนำไปสู่การหลุดพ้นจากความทุกข์อย่างแท้จริงก็ต้องไปศึกษาจากพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์วิธีการของการบรรลุธรรมขั้นต่างๆก็ต้องมีศรัทธาความเชื่อในพระธรรมคาสอนของพระเจ้า เชื่อในการตัดสินของพระพุทธเจ้าว่าพระพุทธเจ้านี้มีตัวมี ต, มตนจริงๆเป็นบุคคลที่เลิศที่ประเสริฐที่ได้ออกบวชแล้วก็ได้ศึกษาได้ปฏิบัติจนได้พบสัจธรรมความจริงของชีวิตคืออริยสัจสี่และตรยลักณ์ที่จะทำให้ผู้ที่หลงติดอยู่ในกองทุกข์ต่างๆได้หลุดพ้นจากความทุกข์ต่างๆได้ หลังจากที่ได้ทรงหลุดพ้นแล้วก็นำเอามาเอาธรรมะคาสอนคือวิธีการดับทุกข์ต่างๆที่พระองค์ได้ศึกษาได้ปฏิบัติมาเอามาเผยแพร่ให้แก่ผู้ที่สนใจใครสนใจใครเห็นว่าตนเองเกิดมาแล้วต้องเจอกับความทุกข์ต่างๆเช่นเจอกับความทุกข์ที่เกิดจากการความแก่ความทุกข์ที่เกิดจากการเจ็บไข้ได้ป่วย ความทุกข์ที่เกิดจากความตายความทุกข์ที่เกิดจากการพลาดพาจากบุคคลและสิ่งต่างๆที่รักที่ชอบและความทุกข์ที่เกิดจากการที่จะต้องไปพบไปเจอกับบุคคลหรือสิ่งต่างๆที่ไม่ชอบความทุกข์เหล่านี้ถ้าอยากจะให้มันหายไปหมดไปจากใจนี้ก็สามารถที่จะเกิดขึ้นได้ถ้ามี มีพระพุทธพระธรรมหรือพระสงฆ์อยู่ในโลกนี้ถ้าไม่มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คือไม่มีพระพุทธศาสนาอยู่ในโลกนี้ <c oughs> การที่จะทำให้ความทุกข์เหล่านี้หายไปจากใจนี้ย่อมเป็นไปไม่ได้เพราะไม่มีเพราะไม่รู้วิธีการที่ถูกต้องว่าจะทำอย่างไรถึงจะทาให้ความทุกข์ของใจที่ไปเกี่ยวข้องกับความแก่ความเจ็บความตาย เกี่ยวข้องกับการพลาดจากสิ่งที่รักที่ชอบเกี่ยวข้องกับการไ ป, ปรเผชิญกับสิ่งที่ไม่ชอบว่าจะทำไงไม่ให้ทุกข์กับสิ่งเหล่านี้ได้ต้องมีพระพุทธเจ้ามาตัดสูค้ความจริงอันนี้ว่าความทุกข์เหล่านี้เกิดจากความอยากของใจเองใจไม่อยากใจอยากหรือไม่อยาก ใจไม่อยากเจอความแก่ความเจ็บความตายไม่อยากเจอการพักๆจากกันอพอเจอแล้วก็เกิดความทุกข์ทุกข์เพราะความไม่อยากไม่อยากเจอถ้าสามารถสอนใจหยุดใจหยุดความไม่อยากเจอสิ่งเหล่านี้ได้ใจก็จะไม่ทุกข์ได้ถึงแม้จะแก่ใจก็จะไม่ทุกข์ได้ถึงแม้จะเจ็บไข้ได้ป่วยถึงแม้จะตายใจก็ไม่ทุกข์ได้ ถ้าสามารถทําใจให้วางเฉยได้ไม่ให้ไปเกิมีความอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายอันนี้จะต้องมีผู้รู้อย่างพระพุทธเจ้าเป็นคนแรกเพราะธรรมดาสารโลกทั่วๆวไปอย่างพวกเรานี้กําลังของสติปัญญานี้ไม่กว้างขวางไม่ลึกซึ้งพอที่จะมองเห็นสิ่งที่มีอยู่ในใจของเราก็คืออริยสัจสีนี้ มันเกิดขึ้นในใจของเราเป็นตลอดเวลาเพียงแต่ว่าส่วนใหญ่มันจะเกิดกับเกิดเกิดอยู่สองสัจจะด้วยกันก็คือทุกข์กับสมุทยัยใจของเรานี้ผลิตความทุกข์ให้กับเราอยู่เรื่อยๆความทุกข์ที่เกิดจากความอยากต่างๆของเรานี่เองอยากได้นั่นอยากได้นี่พอไม่ได้ก็ทุกข์ใจเสียใจอยากให้สิ่งที่มีอยู่ไม่หายไปไม่หมดไป พอหายไปหมดไปก็ทุกข์ใจเนี่ยเรามีอริยสัจอยู่ในใจเราอยู่ตลอดเวลาแต่เรามองไม่เห็นว่ า, ม, วามันเป็นอริยสัจเรามองไม่เห็นว่ามันเป็นเหตุเป็นปัจจัยเป็นเหตุเป็นผลเป็นเหตุของความทุกข์ความทุกข์เราก็เกิดขึ้นในใจของเราเวลาเราไม่สบายใจนี่เรียกว่าทุกข์ใจนะทุกข์ใจนี่เกิดจากอะไรบางทีเราก็ไม่เห็น เราไม่เห็นกันเพราะเราไปเห็นสิ่งที่เราทุกข์ด้วยเช่นเราสูญเสียคนที่เราลักไปเราก็เสียใจทุกใจแต่เราไม่รู้หรอกว่าความทุกข์ใจนี้ไม่ได้เกิดจากการสูญเสียคนที่เราลักไปแต่เกิดจากความอยากไม่ให้คนที่เราลักไปจากเราไปนั่นเองอยากให้เขาอยู่กับเราให้เขารักเราอยู่กับเรามีความสุขกับเราไปเรื่อยๆให้ความสุขกับเราไปเรื่อยๆ แต่พอเขาต้องจากเราไปเราก็เกิดความทุกข์ใจเศร้าใจขึ้นมาแล้วก็ไม่รู้จักวิธีหักห้ามจิตใจว่าทำอย่างไรทำให้ไม่ต้องทุกข์กับเหตุการณ์อย่างนี้ได้ mm hmm. นี่แหละคืออริยสัจที่มีอยู่ในใจของพวกเราทุกทุกคนและมีอยู่ทุกขณะทุกวันทุกวันนี้เรามีอริยสัจปรากฏขึ้นในใจเราอยู่เรื่อยๆเพียงแต่มีแค่สองอย่างคืออริยสัจ ที่เป็นทุกขกับสมุทยัยต้นเหตุของความทุกข์แต่อริยาศาสตร์ที่เป็นนิโรธกับมรรคนีมรรคยังเรายังมักจะไม่มีกันเพราะเราไม่รู้วิธีที่จะทำให้ความทุกข์ดับไปด้วยการเจริญมรรคคือการปฏิบัติธรรมตามคำสอนของพระพุทธเจ้านี่อันา น, นานจะมีคนฉลาดอย่างพระพุทธเจ้าที่ได้บาเพ็ญบารมีต่างๆมาอย่างโชคชวย โ ด, โดยเฉพาะปัญญารมีบารมีที่ทำให้พระ อ, องค์สามารถวิเคราะห์และเห็นต้นเหตุของความทุกข์ของใจได้ว่าเกิดจากความอยากต่างๆของใจเองเกิดจากความอยากสามประการด้วยกันคือกามาตัณหาภาวะตัณหาและวิภาวะตัณหากามาตัณหาก็คือความอยากเสก ร, รูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัฑ์ผ่านทางร่างกาย ใจไม่มีร่างกายใจเป็นผู้อยากเสพไม่ใช่ร่างกายเป็นผู้อยากเสพ ร, ร่างกายเป็นเพียงเครื่องมือใจมีการะตัญหาอยู่ในใจมีความอยากเสพ ร, รูปเสียงกลิ่นรสผดตะพภแต่การที่อยากจะเสพ ร, รูปเสียงกลิ่นรสผดตะเภาได้นี้จำเป็นที่จะต้องมีร่างกายใจจึงมาครอบครองร่างกายเวลามีการปฏิสนธิในคันของมารดาเวลามีการผสมพันธุ์เกิดขึ้น ระหว่างเชื้อของพ่อกับเชื้อของแม่เมื่อมารวมกันร่างกายในทันจะจะปดิสนีจ่จะเจริญเติบโตขึ้นมาได้ต้องมีใจหรือดวงวิญญาณมามาครอบของอีกส่วนหนึ่งพอมีทั้งสามส่วนครบร่างกายก็จะเริ่มเจริญเติบโตขึ้นมาแล้วในที่สุดก็จะคลอดออกจากท้องแม่ออกมาแล้วก็ค่อยจเจริญเติบโต พอร่างกายเริ่มสามารถทําอะไรได้ใจก็จะใช้ร่างกายนี้เป็นเครื่องมือในการไปเสพความอยากทางรูปเสียงกลิ่นรสผลตภะนั่นเองเมื่อต้องพึ่งร่างกายก็จะเกิดความรักความหวงในร่างกายไม่อยากให้ร่างกายเป็นอะไรไปเพราะถ้าไม่มีร่างกายก็จะไม่สามารถหาความสุขจากการเสพ ร, รูปเสียงกลิ่นรสผลตภะผ่านตาหูจมูกนิ้นกายของร่างกายได้นั่นเอง ใจก็เลยไปมีความอยากให้ร่างกายไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายเ<ม>พราะเวลามีความแก่ความเจ็บความตายขึ้นมาใจจะไม่สามารถใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือในการหาความสุขได้<ม>นี่แหละคือทุกที่มันเกิดมากับทุกๆคนไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามเพราะเรามาพึ่งร่างกายเป็นเครื่องมือในการหาความสุขจา ก, กรูปเสียงกลิ่นรสผลต่อพระ ที่มีอยู่ในโลกนี้แต่ร่างกายมันเป็นธรรมชาติที่ไม่เที่ยงที่เรียวกว่าอนิจจังเป็นอนัตตามันไม่ได้เป็นของของเรามันเป็นสมบัติชั่วคราวที่เรายืมมาจากธรรมชาติยืมมาจากธาตุสีคือดินน้ำลมไฟแล้ววันหนึ่งดินน้ำลมไฟก็จะมาเอาร่างกายนี้กลับคืนไปร่างกายก็จะยุติการดาเนินการ แล้วก็ย่อยสลยายแยกออกไปเป็นส่วนไปน้ำก็แยกออกไปลมก็แยกออกไปไฟก็แยกออกไปเหลือแต่ดินส่วนที่เป็นส่วนแข็งก็กลายเป็นดินแห้งกรอบไปนี่แหละคือตัวที่มาทําให้ใจของทุนทุกคนที่มาเกิดในโลกนี้เกิดความทุกข์ใจกันทุกพออยากจะให้ร่างกายนี้อยู่ไป ตลอดไม่มีวันแก่ไม่มีวันเจ็บไม่มีวันตายพอมันเป็นไปไม่ได้พอเจอวันความแก่เจอความเจ็บเจอความตายใจก็เลยทุกข์กันขึ้นมาพระพุทธเจ้าก่อนที่จะมาบวชก็ทุกข์ใจกับความแก่ความเจ็บความตายเมื่อก่อนมาตอนเกิดมานั้นพระราชบิดาก็ไม่ต้องการให้เจ้าชายสิทธัตถะไปเห็นความจริงของของชีวิต เธอไม่ต้องการให้เห็นของความแก่ความเจ็บความตายให้อยู่ในแต่ในพระราชวังและคนที่จะเข้าในพระราชวังก็ต้องไม่ใช่เป็นคนแก่คนเจ็บคนตายห้ามไม่ให้เข้าเนื่องจากเจ้าชายสุดโทธนะหรือพระราชบิดานี้ไม่ต้องการให้เจ้าชายศิทธิ์ธรมมีความทุกข์ใจเพราะว่า ตอนที่เจ้าชายสิทธัตถะเกิดมาใหม่ๆตอนที่เกิดมายังไม่ได้กี่วันพระราชบิดาก็ไปเชิญโคราจาร์ต่างๆมาดูดวงชะตาให้กับเจ้าชายสิท ธ, ธัตถะว่าอนาคตของเจ้าชายสิทธัตถะนี้จะเป็นอะไรโคราจาร์ส่วนใหญ่ก็มีความเห็นว่า <c oughs> มีความเป็นไปได้สองทางด้วยกัน ถ้าอยู่ครองราชก็จะเป็นมหาจั ก, กรพรรดิอันยิ่งใหญ่ถ้าออกบวชก็จะเป็นพระบรมศาสดาเมื่อเจ้าชายิทเมื่อพระราชบิดาได้ยินได้ฟังยกเว้นมีโพลอาจารย์อยู่รูปหนึ่งที่ให้ความเห็นต่างก็คือเห็นว่ามีทางเดียวเท่านั้นสําหรับเจ้าชายศิท ธ, ธัตถะก็คือจะต้องออกบวชเป็นพระบรมศาสดาต่อไป เมื่อทรงได้ยินได้ฟังคํำรยากรณ์เหล่านี้แล้วพระราชบิดาก็เลยต้องคอยป้องกันไม่ให้เจ้าชายสิท ธ, ธัตถะเจอกับความทุกข์พยายามห้อมล้อมเจ้าชายสิทธัตถะด้วยความสุขชนิดต่างๆเพื่อให้มีความเพลิดเพลินกับความสุขและจะได้อยู่ในพระอยู่ในวังอยู่เป็นเจ้าชายเป็นกษัตริย์เป็นมหาจักรพรรดิต่อไปแต่ความ เพราะกลัวว่าถ้าเจ้าชายสิทธัตถะไปเห็นคนแก่เห็นคนเจ็บเห็นคนตายก็จะเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาเห็นนักบวชก็จะเห็นทางออกว่าการที่จะพ้นจากความทุกข์ได้นั้นจาเป็นที่จะต้องไปเป็นนักบวชเท่านั้นจึงพยาไม่ให้เจ้าชายสิทธัตถะได้ไปเห็นคนแก่คนเจ็บคนตายยิงห้ามไม่ให้ออกจากพระราชวังไปเที่ยวตามลำพัง เวลาไปไหนเสด็จไปไหนก็มักจะมีการจัดเตรียมสถานที่จัดคนไว้ต้อนรับมีแต่คนหนุ่มคนสาวไม่มีคนแก่คนเจ็บคนตายให้ได้เห็นเจ้าชายชิตตะก็เลยไม่รู้เรื่องของร่างกายว่าวันอย่งนี้ร่างกายของท่านจะต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายแต่พอความอยากรู้อยากเห็นนี้มีมากขึ้นก็เลยตัดสินใจหนีออกมาเที่ยวกับทหารได้ค่ะ ออกมาเดินดูชีวิตภายนอกกำแพงวังว่าเป็นอย่างไรพอเดินไปเที่ยวก็จะก็เริ่มเห็นคนคนแก่เดินหลังค่อมมาซึ่งไม่เคยเห็นมาก่อนว่ามีคนอย่างนี้ก็ถามมหาลัยว่าเขาเป็นใครมาแล้วก็ตอบว่าเขาเป็นคนเหมือนเรานี่แหละครับเมื่อก่อนเขาก็แข็งแรงร่างกายก็ยืนตรงแต่พอร่างกายเขาแก่ลงแก่ลงหลังก็ข้อมเรี่ยวแรงก็ค่อยหมดไปต้องมีไม้เท้าไว้ค้ำยัน แม้แต่ร่างกายของพระ อ, องค์ก็ต้องเป็นเช่นนั้นเช่นเดียวกันพอได้ยินได้ฟังว่าตัวเองก็จะต้องเป็นคนแก่หลังคล้อยขึ้นมาก็เลยเกิดความทุกข์ใจขึ้นมา ท, าทันทีไม่สบายใจขึ้นมาก็เดินต่อไปพอเดินไปได้อักระยะหนึ่งก็เห็นคนนอนล้อมโอดคนคา ง, งอยู่ที่หน้าบ้านนอนบนแค่ด้วยความเจ็บปวดถามว่าเขาเป็นอะไรก็ตอบว่าร่างกายเขาเจ็บไข้ได้ปวด ซึ่งเป็นธรรมดาของร่างกายของคนทั้งทั้งหมดเมื่อเกิดมาแล้ววันใดวันหนึ่งก็จะต้องเจอกับโรคภัยไข้เจ็บจวก็เจอกับความเจ็บความทุกข์ทรมานเนื่องแต่ร่างกายของพระองค์วันหนึ่งก็จะต้องเจ็บไข้ได้ป่วยเช่นเดียวกันพอทรงทราบว่าต่อไปนร่างกายของพ่อองค์งก็จะ ต, ต้องเป็นเช่นนี้ก็ยิ่งทําให้เกิดความไม่สบายใจขึ้นมาใหญ่แล้วก็เดินต่อไปก็ไปเห็นขบวนแห่ศพ ในคนเขาแบกศพไปอะเพื่อที่จะไปทำชาพนกิจเนก็ถามว่าเขาทําอะไรกันกับคนนั้นที่นอนอยู่เพราะว่าคนนั้นเขาตายแล้วร่างกายเขาไม่มีลมหายใจแล้วต้องเอาไปกำจัดถ้าปล่อยทิ้งไว้ก็จะเน่าเหม็นนั่แม้แต่ร่างกายของโบงค์ก็ต้องเป็นอย่างนี้เช่นเดียวกันในวันใดวันหนึ่งพอได้ทราบถึงความแก่ความเจ็บความตายของโบงค์ พ่อองค์ก็เลยเกิดความรู้สึกไม่มีความสุขใจต่อไปความสุขที่เคยได้รับจากการเสพรูปเสียงกลิ่นรสของเจ้าชายอยู่ประสาทแสนดูดูมีอาหารการกินการอยู่ที่หรูหราที่ฟุ่มเฟือยที่เต็มไปด้วยความสุ ข, ขต่างๆแต่พอมานึกถึงสภาพเวลาที่โยนึองจะต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายแล้วมันจะไม่สามารถที่จะหาความสุขได้เหมือนตอนที่เป็นหนุ่มเป็นสาวเลย องก็เลยทรงมีความรู้สึกเศร้าใจออก็เลยเดินกลับวังเดินกลับเข้าวังระยะระหว่างทางก็เห็นนักบวชเดินผ่านมาก็ถามว่าชายคนนี้เป็นใครเขาถึงแต่งตัวไม่เหมือนคนอื่น อ, อก็ได้คําตอบว่าเขาเป็นนักบวชเป็นผู้ที่ไปแสวงหาการหลุดพ้นจากความทุกข์ที่เกิดขึ้นเวลาที่มีความแก่ความเจ็บความตายนี่เองเ อ, อ, อ, อ, อ, อพอได้ยินว่ายังมี มีมีคนที่สามารถที่จะไปทำให้จิตใจไม่ทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายได้ก็เลยทำให้พระองค์มีความหวังขึ้นมาและคิดอยากจะไปออกบวชบ้างแต่ก็ยังไม่กล้าที่จะไปขออนุญาตเพราะรู้ว่าถ้าขออนุญาตก็คงจะไม่ให้ไปนั่นเองก็เลยต้องรอรอจังหวะรอโอกาสก็มีโอกาสขึ้น มาในคืนที่พระแม่สีได้คลอดพอออระโอรสให้กับเจ้าชายสิท ธ, ธัตถะอมมหารเล็กมาแจ้งว่าพระ อ, องค์ได้ลูกแล้วเป็นลูกชายเจ้าชายสิทธัตถะก็อุทานว่าลาหุนลาหุนแปลว่าบว่บวงบ่วงได้เกิดขึ้นกับใจของพระ อ, องค์แล้วถ้าพระ อ, องค์เข้าไปหาบ่วงนั้นก็จะถูกบ่วงนั้นรัดคออย่างแน่ น, นอนก็เลยตัดสินใจไม่ไปดูลูกที่บว่วงที่เกิดขึ้นในวันนั้น แลาตัดสินทระไทยหนีออกจากวังไปในคืนนั้นเลยโดยที่ไม่แจ้งไม่บอกใครเพราะรู้ว่าถ้าบอกก็จะถูกข้ามอย่างแน่นอนออก็เลยต้องไปแบบเงียบๆไปแบบไม่มีใครรู้ไปแล้วก็ไปไปบวชไปศึกษาธรรมกับครูบาอาจารย์ต่างๆที่รู้จักวิธีทําใจให้ไม่ทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายก็ได้เรียนรู้วิธีของสมาธิ ที่สามารถดับความทุกข์ใจได้ในขณะที่เข้าสมาธิเวลาจิตสงบนิ่งในสมาธินี้จิตจะไม่รลบดรู้เรื่องของร่างกายเลยร่างกายจะแก่จะเจ็บจะตายนี้จะไม่ไม่ได้ทําให้ใจทุกข์เลยแต่มันก็จะอยู่ในสมาธิได้เป็นชั่วครั้งชั่วคราวเท่านั้นเวลาที่ออกจากสมาธิมาแล้วพอมาเริ่มมาคิดถึงความแก่ความเจ็บความตายใจก็เริ่มทุกข์ขึ้นมาใหม่ ก็พยายามที่อยากจะหาวิธีว่าทําอย่างไรทําให้ใจไม่ทุกข์เหมือนกับขณะที่อยู่ในสมาธิ mm. คือคือไม่ต้องเข้าสมาธิมีวิธีไหนไหมที่จะทําให้ใจไม่ทุกข์โดยที่ไม่ต้องใช้สมาธิเพราะสมาธินี้ก็เข้าได้เป็นชั่วครั้งชั่วคราวไม่สามารถทําให้ความทุกข์หมดไปได้อย่างถาวร mm. ก็พยายามไปศึกษากับครูบาอาจารย์ต่างๆที่มีที่ล่ําหรือว่าเก่งที่ฉลาด ท่านเหล่านั้นก็สอนได้แค่ระดับของการเข้าสมาธิเข้ารูปฌปานและเข้าอารูปฌปานเท่านั้นแต่ไม่มีระดับที่จะมาดับความทุกข์ใจเวลาที่ออกจากสมาธิมาได้เมื่อไม่มีใครรู้วิธีพระองค์ก็เลยต้องไปผลนไปขนขวายทดลองผิดลองถูกดูจนในที่สุดก็ได้ค้นพบความเป็นจริงด้วยปัญญาว่าเหตุที่ทำให้ใจทุกเวลาที่ ออกจากสมาธิก็เพราะว่าเวลาอยู่ในสมาธิใจไม่คิดปรุงแต่งไม่มีเรื่องราวเกี่ยวกับร่างกายเมื่อไม่คิดปรุงแต่งถึงเรื่องร่างกายความอยากที่เกี่ยวกับความไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายมันก็ไม่เกิดขึ้นมาแต่พอเวลาออกจากสมาธิมาใจก็นร่คิดปรุงแต่งขึ้นมาพอคิดปรุงแต่งก็จะมักจะคิดไปถึงเรื่องร่างกายของตนวร่างกายต้องไปจะต้องแก่จะต้องเจ็บจะต้องตาย จะต้องทุกข์ก็เลยไม่อยากจะให้ร่างกายแก่ร่างกายเจ็บร่างกายตายพอเพียงเกิดความอยากให้ให้มันแก่เจ็บตายใจก็ทุกข์ขึ้นมาทันที mm hmm. ก็ทรงเห็นว่าออกความทุกข์ใจนี้เกิดจากความอยากนี้เท่านั้นเอง mm hmm. เวลาอยู่ในสมาธิ mm hmm. ไม่มีความอยากให้ร่างกายไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายใจก็เลยไม่ทุกข์ mm hmm. แต่พอเวลาออกจากสมาธิมา พอคิดถึงความแก่วความเจ็บความตายก็เกิดความทุกข์ใจขึ้นมาก็เห็นได้อย่างชัดเจนว่าความทุกข์ใจนั้นเกิดจากกัรหาความอยากเหตุที่อยากให้ร่างกายไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายก็เพราะว่าอยากจะใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือในการหาความสุขต่างๆหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสผดท่าพระคือใจยังมีกามั่ตัณหาอยู่ยังมีภาวะตัณหามิภาวะตัณหาตัณหาสามอย่างนี้ อยากเสพกามอยากเสพรูปเสียงกิ่นลดอยากได้ <Gym. S 1> ลากยุสรรเสริญเรียกว่าเป็นภาวะตัณหาอยากร่ำอยากรวยอยากเป็นใหญ่อยากเป็นอยากเป็นใหญ่อยากให้คนสรรเสริญยกย่องให้ความเคารพอยากได้เสพรูปเสียงกิ่นรดแล้ววิภาวะตัณหาก็คือความอยากไม่เป็นเช่นอยากไม่ให้ร่างกายแก่ไม่อยากให้ร่างกายเจ็บไม่ให้ร่างกายตายนี้ ก็มีวิภวะตัณหาขึ้นมามก็จําเป็นที่จะต้องกําจัดอ<ม>กําจัดความอยากเหล่านี้<ม>และสิ่งที่จะกําจัดได้ในเบื้องต้นก็คือสมาธินี่การฝึกสตินั่งสมาธิเข้าสมาธิได้ก็จะหยุดความอยากเหล่านี้ได้ชั่วคราวแต่พอออกจากสมาธิมาในยุคนั้นยังไม่มีใครรู้ว่าความทุกข์ของใจเกิดจากความอยากทั้งสามนี้ ก็ไม่มีใครสามารถที่จะแก้ความทุกข์ได้เวลาที่ไม่ได้อยู่ในสมาธิเพราะองค์ต้องการที่จะต้องการแก้ความทุกข์ในขณะที่ไม่ได้อยู่ในสมาธิว่าแก้อย่างไรันที่สุดก็ทรงค้นพบว่าแก้ด้วยการหยุดความอยากต่างๆที่มีอยู่ในใจนี่เองหยุดความอยากเสบรูปเสียงกลิ่นรสหยุดความอยาก อ, อยากมีอยากเป็นอยากได้อยากได้นั่นอยากมีนี่ ในการอยากไม่มีนั่นอยากไม่มีนี่ไม่เป็นนั่นเป็นนี่ขึ้นมาพอหยุดความอยากทั้งสามเหล่า น, นี้ได้ความทุกข์ใจที่เคยเกิดเวลาที่เจอกับความแก่ความเจ็บความตายมันก็หายไปในที่สุดปองก็สามารถทำให้ใจหลุดพ้นจากความทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงด้วยการใช้ปัญญาหยุดความอยากด้วยการพิจารณาสิ่งที่อยากว่าเป็น ใจรักเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่ว่าจะอยากได้อะไรสิ่งที่อยากได้ไม่ว่าจะเป็นลาบยศสารเสริญไม่ว่าจะเป็นรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆม้นเป็นของชั่วคราวเป็นอนิจจังเป็นของไม่เที่ยงมีเกิดแล้วมีดับเป็นธรรมดามีเจริญแล้วมีเสื่อมเป็นธรรมดามเวลาได้มาก็ให้ความสุขเวลาหมดไปก็จะให้ความทุกข์เห็นทุกข์ในสิ่งต่างๆ เห็นว่าเป็นสิ่งที่เราไม่สามารถครอบครองเก็บเอาไว้ใจไม่สามารถครอบครองเก็บเอาไว้เป็นของของตนได้ตลอดเวลามันเป็นอนัตตามันไม่ได้เป็นของของใครมันเป็นของธรรมชาติเป็นสภาวะธรรมที่เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาตามเหตุตามปัจจัยที่เกิดที่ดับไปตามเหตุตามปัจจัยต่างๆเท่านั้นเองไม่มีใครไปสามารถไปควบคุมเหตุปัจจัยเหล่านี้ให้มันอยู่กับให้มันอยู่กับเราไปได้ตลอด ได้อะไรมาแล้วไม่ช้าก็เร็วก็จะต้องมีการสูสญเสียลงส้นสุดลงได้หมดไปและวิธีการที่จะทําให้ละความอยากได้นี้จําเป็นที่จะต้องสร้างพลังขึ้นมาให้กับใจเพราะใจที่ยังไม่มีพลังพลังที่จะหยุดความอยากนี้ก็จะไม่สามารถที่จะละความอยากดับความทุกข์ได้ก็จะจำเป็นที่จะต้อง สร้างมรคขึ้นมามรค ก, ก็คือเครื่องมือหรือพลังของใจมรคที่จะทําทให้ใจเรานี้ไม่ทุกข์กต่อไปลดหยุดความอยากต่างๆได้นี้ก็คือศีลสมาธิปัญญานี่หรือมรคแปดมรคแปดกับศีลสมาธิปัญญานี้ก็เป็นอย่างเดียวกันเพียงแต่เป็นแบบพิสดารและเป็นแบบแบบแสั้นๆศีล ส, สมาธินี้ปัญญานี้เป็นแบบสั้นๆ ก็เป็นมรรคแปดเช่นปัญญาก็มีสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปะความ ค, ความเห็นชอบกับความคิดชอบนี่เป็นองค์ประกอบของปัญญาส่วนสมาธิก็องค์ประกอบของสมาธิก็คือสัมมาวายาโมความเพียรชอบสัมมาสติการดูลึลกรู้ชอบและสัมมาสมาธิความตั้งมั่นชอบอันนี้ก็เป็นองค์ประกอบของสมาธิ ส่วนองค์ประกอบของศีลก็คือสัมมากรรมโตการกระทาชอบสัมมาวาจาการพูดชอบและสัมมาอาชีโวการมีอาชีพชอบอาชีพที่ไม่ไปเบียดเบียนผู้ไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเป็นต้นผู้ที่ต้องการที่จะสร้างพลังให้กับจิตเพื่อมากำจัดความอยากต่างๆที่มีในใจให้หมดสิ้นไปเพราะทําความอยากได้ถูกกำจัดแล้วความทุกข์ใจต่างๆ ก็จะไม่มีอีกต่อไปนั่นเองก็จําเป็นที่จะต้องมาปฏิบัติมรรคแปดนี้หรือมาปฏิบัติศีลสมาธิปัญญานี้เริ่มต้นในการรักษาศีลห้าก่อนละเว้นการกระทําบาปเพราะการกระทําบาปก็เป็นเหตุที่จะทําให้ใจเกิดความทุกข์ขึ้นมาเวลาไปทําร้ายผู้อื่นแล้วใจจะรู้สึกไม่สบายใจพราะรู้ว่าจะมีวิบากกลับคืนมา เขาอาจจะมาแก้แค้น้ังแค้นเราเราก็ไม่อยากจะเจ็บตัวแต่เราไปทําเขาเจ็บแล้วเอาเมื่อเขาเจ็บแล้วเขาก็อยากที่จะมาทําให้เราเจ็บบ้างมันก็จะทำให้เราเกิดความวิตกกังวลเกิดความหวาดกลัวหวาดผวาขึ้นมาอันนี้ก็เป็นความทุกข์ที่เกิดจากการทําบาปถ้าเราไม่ทําบาปแล้วก็จะไม่มีความวิตกกังวลเกิดขึ้นมาในใจเรา ถ้าไม่อยากจะทุกข์ด้วยการกระทำบาปก็ต้องถือศีลห้าเป็นอย่างน้อยไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดประเพณีไม่พูดปดไม่ดื่มของมึนเมาสุรายาเมาต่างๆเพราะการดื่มสุรานี้ถึงแม้จะไม่เป็นการกระทำบาปแต่ก็จะเป็นผูดที่จะไปสนับสนุนให้เกิดการกระทำบาปได้ง่ายเพราะว่าเวลาที่ดื่มสุราเข้าไปแล้วนี่ใจจะ ใจจะไม่มีสติขาดสติสติก็คือเครื่องเครื่องควบคุมการกระทาของใจนั่นเองพอใจมีอารมณ์ที่ไม่ดีก็จะคิดไปทำอะไรไม่ดีไปพูดไม่ดีไปทำไม่ดีได้ถ้าไม่มีสติก็จะยับยั้งไม่ได้แต่ถ้าไม่มึนเมามีสติพอรู้ว่ากำลังจะคิดไม่ดีจะไปพูดไม่ดีทำไม่ดีก็มักจะสามารถหยุดความความพูดความกระทาที่ไม่ดีได้ หยการกระทําบาปได้ดันั้นสุรายาเมาจึงเป็นข้อหนึ่งของศีลห้าอย่าอย่าอย่าไปดื่มสุราเพราะเมื่อเกิดอาการมึนเมาแล้วจะควบคุมการกระทําของตนเองไม่ได้เ <c oughs> ช่นคนที่ดื่มสุราแล้วไปขับรถยนต์นี่มันก็จะไม่สามารถขับรถให้ไปได้อย่างปลอดภัยมักจะเกิดอุบัติเหตุ อ, อุบัติภัยสร้างความเสียหายให้กับผู้นั้นตนเองน <c oughs> นั้นการดื่มสุราเลย ในถูกรวมอยู่ในข้อไม่ให้กระทำบาปด้วยแต่การไม่ทำบาปจริงๆก็มีอยู่สี่ข้อโดยการฆ่าสัตว์ทำร้ายชีวิตของผู้อื่นรอทำทำให้ร่างกายของผู้อื่นเขาเจ็บปวดเกิดความเสียหายต่างๆขึ้นมาบาปก็มีหนักมีเบาก็อยู่กับโทษที่เกิดขึ้นว่าเป็นความเสียหายมีมากมีน้อยถ้ามีความเสียหายมากโทษก็หนักมีความเสียหายน้อยโทษก็เบา นอกจากฆ่าสัตว์แล้วก็การลักทรัพย์ของผู้นั้นและ ก, การประพฤติผิดประเพณีไปยุงปย่งเกี่ยวกับสามีภรรยาของผู้นั้นแล้วก็การพูดปดโกหกหลอกลวงอันนี้เป็นสิ่งที่ผู้ที่ต้องการที่จะดับความทุกข์ที่มีใน ใ, นใจนี้จําเป็นที่จะต้องกระทาในเบื้องต้นก่อนก็คือรักษาศีลห้าให้ได้ก่อนเมื่อรักษาศีลห้าได้แล้วความทุกข์ที่เกิดจากการกระทำบาปก็จะไม่เกิดขึ้น แล้วก็สามารถที่จะขยับขึ้นไปสู่การปฏิบัติขั้นต่อไปก็ขั้นสมาธิได้การที่จะ ป, ปฏิบัติขั้นสมาธิด้านี้จาเป็นที่จะต้องมีเวลาให้กับการปฏิบัติ uh huh. ต้องปฏิบัติแบบนักบวชอย่างที่พู้เจ้าทรงสอนให้ปฏิบัติทั้งวันทั้งคืนยกเว้นเวลาลับท่านั้นและการที่จะปฏิบัติแบบนี้ได้ทั้งวันทั้งคืนก็ต้องมีเวลาไม่เอาเวลาไปทากิจกรรมอย่างอื่น ก็จาเป็นที่จะต้องมาถือศีลแปดกันงดเว้นการทำกิจกรรมทางการารมณ์ต่างๆเช่นศีลข้อสามก็คือการไปร่วมหลับนอนกับผู้อื่นก็ต้องก็ต้องยกเลิกไปเลิกยกเว้นการร่วมหลับนอนกันจะได้เวลาที่ไปร่วมหลับนอนกันมาให้กับการปฏิบัติสมาธิยกยกเว้นจากการกินอาหารมากเกินไปกินหลายหลายเวลาจะทาให้ไม่เสียเวลาของการปฏิบัติไปได้ ก็เลยห้ามไม่ให้กินหลังจากเที่ยงวันไปแล้วแล้วก็ให้ยกเว้นการไปหาความสุขจากมารฮอสสมบันเทิงต่างๆการดูหนังฟังเพลงน้องนําทําเพลงเป็นต้นและการเสริมสวยความงามของของร่างกายแล้วก็ให้ละเว้นการหลับนอนมากเกินไปวิธีที่จะนอนไม่มากก็ต้องนอนบนบ น, น, นที่นอนที่ไม่สบายนอนที่นอนที่เป็นพื้นแข็ง ไม่มีเบาะนาะน ใ, ให้ให้ลองนอนเพราะว่าร่างกายเวลาเหนื่อยมากๆง่วงมากๆก็สามารถหลับได้ไม่ว่าจะเป็นพื้นแบบไหนแต่พอตื่นขึ้นมาแล้วถ้าบนนอนบนพื้นที่นุ่มที่สบายใจก็ยังจะไม่อยากจะลุกขึ้นมาอยากจะนอนต่อก็จะนอนต่อก็จะเสียเวลาของการหลับของการปฏิบัติให้กับการหลับนอนไปอะไรต้องไม่นอนบนที่ บนเตียงบนฟูกแล้หนาที่สุขที่สบายให้นอนบนเตียงที่มีพื้นแข็งๆหรือนอนกับพื้นก็ได้ปู ด, ด้วยผ้าด้วยเสื่อก็พ อ, อ, อก็จะนอนไม่มากสี่ห้าชั่วโมงก็จะตื่นขึ้นมาแล้วก็จะได้ลุกขึ้นมานั่งสมาธิเดินจงกรมต่อไปออนี่คือสิ่งที่จาเป็นต่อการปฏิบัติสมาธิเพราะสมาธินี้จะเกิดอ น, นิสงส์มากน้อยก็ขึ้นอยู่กับสิ่งอย่างที่มี ทำที่แสดงไว้ว่าสมาธิที่ได้รับการสนับสนุนได้รับการอบรมด้วยศีลนี้จะมีอา น, นิสงส์งมากมีประโยชน์มากปัญญาที่ได้รับการสนับสนุนด้วยสมาธินี้จะมีอา น, นิสงส์งมีประโยชน์มากและจิตที่ได้รับการสนับสนุนด้วยปัญญานี้จะหลุดพ้นจากกองทุกโดยถ่ายเดียวการจะหลุดพ้นจากกองทุกได้จําเป็นถึงเบื้องต้นถึงต้องมีศีลเพื่อมาสนับสนุนให้เกิดสมาธิ เมื่อมีสมาธิแล้วก็จะได้ใช้สมาธินี้มาสนับสนุนให้เกิดปัญญาขึ้นมานะพอมีปัญญาในจิตแล้วก็สามารถที่จะตัดความโลภความอยากต่างๆที่เป็นเหตุที่มาสร้างความทุกข์ให้กับใจได้หมดไปอย่างา ง, ง่ายได้จิตที่มีปัญญาย่อมหลุดพ้นจากความทุกข์โดยถ่ายเดียวถ้ายังไม่มีปัญญาจะหลุดพ้นจากความทุกข์ไม่ได้การที่จะมีปัญญาก็ต้องมีสมาธิเป็นผู้สนับสนุน และการที่จะมีสมาธิเป็นผู้สนับสนุนก็ต้องมีศีลศีลของนักบวชก็คือศีลแปดขึ้นไปนั่นเองนี่ถือที่มาว่าการที่เราจะปฏิบัติสร้างกำลังให้กับใจได้นี้นเราต้องสร้างอย่างไรเบรื้องต้นก็สร้างด้วยการไม่กระทำบาปเรารักษาศีลนะได้หข้อแล้วต่อมาเราก็เพิ่มอีกสามข้อก็จะไม่ไม่ใช่เป็นของยากเย็นแต่อย่างใดเพิ่มอีก3ามข้อเป็นศีลแป พอเรารักษาศีลแปดได้เราก็จะมีเวลาไปปฏิบัติธรรมได้ทั้งวันทั้งคืนเพราะเราจะตัดเรื่องเรื่องของการสังคมไปได้หมดใครจะมาชวนเราไปทําอะไรแล้วก็บอกว่าตอนนี้ไปไม่ได้ตอนนี้รักษาศีลแปดอยู่เขาก็จะไม่มายุ่งกับเราหรือถ้าเป็นผู้ชายก็ไปบวชกันพอไปบวชถือศีล2องก็ไม่มีเพื่อนมาชวนไปกินเหล้าไม่มีชวนเพื่อนมาชวนไปเที่ยวไปทํากิจกรรมอะไรต่างๆ ก็จะมีเวลาให้กับการศึกษากับการปฏิบัติเจริญสตินั่งสมาธิได้อย่างอย่างต่อเนื่องถ้ามีการปฏิบัติอย่างต่อเนื่องผลก็จะต้องเกิดถ้ามีเวลาให้กับการเจริญสติเพ่อที่จะทำให้ใจนิ่งสงบเวลานั่งสมาธินี่พอมีสติอย่างต่อเนื่องที่เป็นเรียกว่าสติสัมปะชัญญะจิตไม่เผลอจิตไม่ลอยไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้จิตตั้ง อยู่กับอารมณ์กรรมฐานอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งเช่นอยู่กับพุทธานุสติก็อยู่กับคําบริกรรมพุทโธพุทโธไปแล้วอยู่กับกายกตาสติก็อยู่กับการเคลื่อนไหวของร่างกายไปอย่าตลอดทั้งวันตั้งแต่ตื่นจนหลับนี้ฝึกสติก่อนให้สติคอยเฝ้าดูให้อยู่กับร่างกายผูกใจไว้กับร่างกายไม่ให้ใจลอยไปกับความคิดต่างๆเพราะความคิดนี้แหละเป็นตัวที่ทําให้ใจวุ่นวายทําให้ใจทุกข์ใจยาก ต้องคอยกำจัดเบื้องต้นด้วยการใช้สติคอยควบคุมความคิดไม่ให้ไปคิดถึ ง, งเรื่องราวต่างๆให้อยู่กับอารมณ์ที่ทําให้ใจนิ่งสงบ ก, ก็คือพุทธานุสติก็ได้กายะกตาสติก็ได้เวลาที่ยังมีการเคลื่อนไหวอยู่แต่เวลาที่เรามานั่งสมาธินั่งหลับตาถ้าเราใช้กายะกตาสติใช้การดูการเคลื่อนไหวของร่างกายพอร่างกายนั่งเฉยๆไม่เคลื่อนไหวแล้วก็เปลี่ยนมาดูลมหายใจเข้า เป็นอรมแทนอาณาปณะสติดูลมหายใจเข้าออที่ปลายจมูกดูลมเพียงเดียวไม่ต้องใช้คำบริกรรมพุทโธก็ได้ถ้าเรามีสติมากพอนี่เราดูลมได้อย่างเดียวได้อย่างสบายดูที่ปลายจมูกไม่ต้องตามลมเข้าไม่ต้องตามลมออกไม่ต้องไปควบคุมบังคับลมให้หายใจยาวหายใจสั้นลมจะอยากจะละเอียดก็ไม่ต้องไปบังคับมันปล่อยให้มันเป็นไปาตามธรรมชาติของมันใจมีหน้าที่เพียงรับรู้เฉยๆเท่านั้นเอง ให้ใจพอการรับรู้เฉยๆไม่ไปคิดตุงแต่กนี่แหละจะทําให้ใจนิ่งสงบให้ใจรวมเข้าสู่สมาธิต่อไปได้อพอใจเข้าสู่สมาธิแล้วก็จะพบกับความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงความสุขที่เหนือกว่าความสุขที่จะได้จากสิ่งต่างๆที่ความอยากต้องการเพระว่าเป็นความสุขจากราบยศสรรเสริญความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆนี้มันจะหมดความหมายไปอพอมันได้ความสุขจากสมาธิแล้ว เวลาเกิดความอยากที่จะไปหาความสุขจากาลากยศสรรเสริญจากรูปเสียงกลิ่นดอนี้ก็สามารถใช้ปัญญามาสอนใจให้หยุดความอยากเหล่านี้ได้อย่างง่ายดายโดยเฉพาะเมื่อเห็นว่าเป็นไตรลักษณ์เห็นว่ามันเป็นทุกข์เพราะสิ่งที่เราอยากนั้นมันเป็นของชั่วคราวได้มาแล้วเดี๋ยวมันก็ต้องเสื่อมไปหมดไปหรือเปลี่ยนไปพอมันเสื่อมไปหมดไปเปลี่ยนไปมันก็จะทําให้เราเศร้าทําให้เราเสียใจ พอเห็นว่าการไปหาสิ่งต่างๆมาให้ความสุขนั้นความจริงแล้วเป็นการไปหาความทุกข์มาให้กับใจพอเห็นด้วยปัญญาก็สามารถละความอยากได้อย่างง่ายดายเพราะเพราะมีความสุขที่ได้จากความสงบเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงจิตใจยอยู่แล้วใจไม่หิวโหยกับลาบยศเสรเสริญสูงอีกต่อไปนี่คือวิธีการกำจัดความอยากต่างๆที่มาสร้างความทุกข์ให้กับใจ ต่อไปก็สามารถหยุดความอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายได้ถ้าจิตมีพลังมากขึ้นมีสมาธิมากขึ้นเวลาเกิดความเจ็บไข้ได้ปวดขึ้นมาเจ็บทุกขเวทนาขึ้นมาก็สามารถระ ง, งับความอยากความอยากให้เวทนาหายไปได้เพราะมองด้วยปัญญาว่าเวทนาเป็นอนิจจงเป็นอนัตตาไปไปสั่ง<ะ>มันไม่ได้ไปสั่งให้มันหายไปไม่ได้มันจะอยู่ก็ต้องปล่อยมันอยู่ไป แต่อยู่กับมันได้อย่างไม่ทุกข์ได้ถ้าไม่มีความอยากให้มันหายอันนี้ต้องมีปัญญาต้องเห็นว่าเห็นสิ่งที่เราอยากว่ามันเป็นอนัตตามันเป็นสิ่งที่เราควบคุมบังคับไม่ได้เป็นเหมือนดินฟ้ากาที่เราไปสั่งไม่ได้เวลาฝนจะตกแดดจะออกนี่เราไปสั่งมันไม่ได้ว่าให้มันตกเวลานั้นให้มันตกเวลานี้งัตุใดเวทนาเราก็สั่งมันไม่ได้ว่าให้มันมาเวลานั้นไม่ให้มันมาเวลานี้มันสั่งไม่ได้ เวลามันจะมามันก็มาเวลามันจะไปมันก็ไปถ้าเราไปยุ่งกับมันไปอยากให้มันไม่มามันเราก็จะทุกข์ใจขึ้นมาถ้าเราไม่อยากจะทุกข์ใจเราก็ต้องปล่อยวางถ้าใจเรามีสมาธิเราก็จะปล่อยวางได้ถ้ายังไม่มีสมาธิยังไม่มีโอเบขาก็จะวางเฉยไม่ได้ใจก็จะเกิดความทุกข์ทรมานใจขึ้นมาอันนี้แหละคือวิธีการของการปฏิบัติของพระพุทธเจ้าคือทรงปฏิบัติ ศีนสมาธิปัญญาที่เป็นเครื่องมือที่เรียกว่ามรคมรคมรค ก, ก็คือเครื่องดับความทุกข์ทุกจะดับได้ก็ต้องมีมรคมีศีนสมาธิปัญญาหรือมีมรคแปดสมาธิติสมาสังกโปไปจนถึงสัมมาสมาธิถ้ามีมรคแล้วมรค ก, ก็จะสามารถทําหน้าที่หยุดความอยากต่างๆที่มีอยในใจให้หมดสิ้นไปพอไม่มีความอยากของเรือยู่แล้วความทุกข์ต่างๆก็จะหมดไป ร่างกายที่แก่ที่เจ็บที่ตายนี้ก็จะไม่ทำให้ใจทุกข์อีกต่อไปนอกจากนั้นเรายังทำให้ใจไม่กลับมาเกิดอีกด้วยเมื่อไม่มีความยามในสิ่งต่างๆในราบยุศสรรเสริในรูปเสียงกลิ่รลดแล้วใจก็จะไม่กลับมามีร่างกายอีกต่อไปไม่มีการเกิดใหม่เมื่อไม่มีการเกิดใหม่มมม ก, ก, หมก็จะไม่มีการแก่การเจ็บการตายใหม่ขึ้นมาอีกต่อไปใจก็จะหลุดพ้นจากความทุกข์อย่างถาวร น, นี่แหละคือสิ่งที่พระเจ้าได้ทรงตัดสัรู้ และได้นํเอามาเผยแผ่สั่งสอนให้แก่สัตว์โลกอย่างพวกเราที่ยังอยู่ในกลางทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดอยู่ที่เห็นว่าการเกิดนี้มันเป็นทุกข์ที่เห็นว่าความแก่ความเจ็บความตายนี้มันเป็นทุกข์ถ้าเราต้องการที่จะทําให้ทุกข์เหล่านี้หายไปเราก็ต้องมีศรัทธานในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เข้าหาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ฟังเทศน์ฟังธรรมศึกษาให้เข้าใจถึงวิธีการของการปฏิบัติที่จะมาดับความทุกข์ก็คือมรรคที่มีองค์แปด หรือการปฏิบัติศีลสมาธิปัญญานี้เองเมื่อเรารู้จักวิธีปฏิบัติศีลเราก็นําเอาไปปฏิบัติพอเรารู้จักวิธีปฏิบัติสมาธิเราก็นําเอาไปปฏิบัติพอเรารู้จักวิธีปฏิบัติปัญญาแล้วก็นําเอาไปปฏิบัติพอเรานําเอาไปปฏิบัติแล้วความอยากต่างๆที่มีอยู่ในใจเราก็จะหายไปใจเราก็จะหลุดพ้นจากความทุกข์อย่างสิ้นเชิงอย่างถาวร ใจก็จะอยู่ที่นิพพานหรือใจนี่แหละที่เป็นนิพพานขึ้นมาใจที่สะอาดบริสุทธิ์ปะะจากความอยากต่างๆนี้คือพระนิพพานไม่มีการใบเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปนี่ก็คือเรื่องราวในวันเข้าพรรษาที่เอามาฝากท่านในวันนี้ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจะขออนุโมทนาให้พรยาถาวาเรวะหาปูราปาริภุเรนติสาลัง เอวเมวะอิโตทินังเปตางนังอุปกปติยิชิตังปะทิตังสุมหังคิปเมวะสมิจโตสัพเพบุเรนโตสังกปาจันโทปันาวาสุยาามณิโชติราสุยาาสัพพิติโยวิวัจันโตสัปปะโรโวินัตสตุ มาเตผวะตวันตาาโยสุขิทีขายุโกผวะอภิวาธนาสิลิสะนิจังวุธาปจายโนจตารโธรรมวะทานติอายุวันโอสุขังภาลางช่วงต่อไปนี้ก็ช่วงถามตอบคําถา ม, ถา ม, ถาม ใครมีคำถามอะไรอยากจะอยากจะถามก็เชิญถามได้ในช่วงนี้เลยถ้าไม่อยากจะถามเองจะเขียนใส่กระดาษส่งข้อความเข้ามาก็ได้วันนี้มีผู้ติดตามทั้งหมดเท่าไหร่กราบนำมรสการเจ้าค่ะผู้รับฟังวันนี้ทาง Facebook 441พระอาจารย์สุชาติ312 YouTube ดกร68วิชิยุออนไลน์6 c ลั b h o u s ์9 ผู้รับฟังนากุติ332รรวม 1,168 ท่านเจ้าค่ะถ้าเกิดว่าหลุดจากสมาธิโดยอุบัติเหตุสังเกตสภาพร่างกายเปลี่ยนไปจะทำอย่างไรให้คืนสภาพเป็นปกติครับ อ, อ่ร่างกายมันก็ต้องไปหาหมอทั้งรักษาได้ก็รักษาไปรักษาไม่ได้ก็อยู่กับมันไป จนกว่ามันจะตายก็มีเท่านั้นแต่ใจเราไม่ต้องไปทุกข์กับมันได้ใจเราไม่ได้เป็นร่างกายให้รู้ว่าเราเป็นคนใช้ร่างกายแต่เราไม่ได้เป็นร่างกายเราดูแลมันตามอัตภาพตามความสามารถของหมอของยาถ้าไม่สามารถดูแลมันได้ก็ต้องอยู่กับมันไปแต่ใจเราอยู่เฉยๆไม่ทุกข์กับมันได้อย่าไปอยากให้มันกลับมาเป็นปกติถ้ามันไม่เป็นพความอยากมันจะทาให้เราทุกข์ ตอนที่กําลังจะตายตอนที่จิตจะต้องละทิ้งออกจากร่างกายนี้ภายในร่างกายจะมีความเจ็บปวดทรมานมากเป็นแบบนั้นใช่หรือไม่และณนะช่วงเวลานั้นโยมจะต้องกําหนดจิตทําใจวางใจอย่างไรเจ้าคะต้องไม่ถามคนตายดูถึงจะรู้เรายังไม่ตาย <laughs> เราจะเป็นรู้ได้ไงแต่ให้ทําทจิตให้สงบไม่ว่าจะเป็นจะตายนะ ถ้าจิตสงบแล้วก็จะไม่เดือดร้อนเวลาจะตายเวลาจะเจ็บก็จะไม่เดือดร้อนควรจะฝึกสติควรจะนั่งสมาธิให้มากๆแล้วต่อไปสมาธิและสตินี้จะเป็นที่พึ่งของใจได้มีสองคำถามเจ้าค่ะ เมื่อมีความจำเป็นต้องเข้าสังคมและต้องดื่มเบียร์หลังดื่มมีการประคองสติทั้งการพูดและการกระทำเมื่อได้เวลาก็ลา ก, กลับไปนอนแบบนี้ถือว่าทำผิดสินข้อห้าไหมครับก็ผิดเนยเพราะว่าห้ามดืะะม่มสลเยาเอา้ถ้าไม่อยากจะผิดสินข้อห้าก็อย่าไปดื่ม ชีวิตคราว่าที่ต้องทำมาหากินมีความรับผิดชอบต่อพ่อแม่และลูกทำทานถือศีลจเจริญกายคตาสติเป็นประจำใช้ปัญญาทำใจยอมรับกับความเสื่อมในโลกธรรมแปดทำได้บ้างไม่ได้บ้างแต่ยังไม่สามารถทำจิตให้รวมลงเป็นสมาธิได้กราบขอเมตตาพระอาจารย์ช่วยชี้นแนะต่อด้วยครับก็ต้องหาเวลาว่างไปไปปฏิบัติธรรม วันไหนวันที่เรามีวันหยุดหลายๆวันเราก็ลองไปหาสถานที่ปฏิบัติธรรมที่สงบแล้วไปฝึกสตินั่งสมาธิให้ต่อเนื่องแล้วโอกาสที่จิตจะรวมมันก็จะมีมากขึ้นมีสองคำถามเจ้าคะ่ะทำไมคนเราจึงวางความสำคัญของพญานาคว่าเป็นผู้ให้โชคลาภพญานาคนั้นมีฤทธบันดาลโชคลาภได้จริงหรือไม่เจ้าคะ อันนี้เราก็ไม่รู้นยะต้องไปถามพญานาคอย่างงเพราะผลบุญหรือบาปใดที่ทำให้เกิดมาเป็นพญานาคและพญานาคถือว่าอยู่ในภพภูมิใดเจ้าค่ะถ้าพญานาคมันก็เป็นงูงูก็เป็นสัตว์เดรัจฉานการที่จะไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานก็ต้องทำบาปด้วยความหลง หากทำสมาธิต้องพยายามให้ไปถึงขั้นไหนจนจิตสามารถเห็นการผุพังเน่าเปื่อยของกายเราตั้งแต่เนื้อเอ็นกระดูกย่อยสลายกลายเป็นดินแล้วรวมกันใหม่เป็นกายใหม่ได้อีกครั้งครับคือการเห็นกระดูกเห็นร่างกายกลายเป็นดิดนนี้มันไม่ต้องใช้สมาธิก็เห็นได้ไปเปิดหนังสือดูก็มีหนังสือภาพถ่ายอสุภาพต่างๆเพียงแต่ว่าถ้าจิตไม่มีสมาธินี้มันจะไม่อยากดู มันไม่กล้าดูดูแล้วมันจะรู้สึกอิจฉเอือนมันก็เลยไม่สามารถจะมองเห็นได้แต่ถ้าจิตมีสมาธิจิตนิ่งสงบแล้วจะไม่มีปฏิกิริยาต่อต้านกับภาพเหล่านี้<ม>ก็จะสามารถมองภาพเหล่านี้ได้อย่างเป็นเวลายาวนานจนสามารถจดจำขึ้นมาในใจได้<ม>สิ่งที่เราต้องการก็คือให้เห็นภาพต่างๆเหล่านี้ฝังอยู่ในใจเราเวลาที่เราเกิดความโงงไปยึดติดร่างกายเราจะได้ เอาภาพอห่านี้มาบอกว่ามันร่างกายมันต้องเป็นอย่างนี้ห้ามมันไม่ได้พอเห็นความจริงจากการที่เราคอยคิดอยู่บ่อยๆเกี่ยวกับภาพเหล่านี้มันก็จะดับความทุกข์ดับความกลัวต่างๆได้สมาธิขั้นไหนที่จะช่วยให้คนที่ใกล้เสียชีวิตไม่ต้องทนทุกขเวทนาได้เจ้าคะ ก็ขั้นอุเบกขานี่แหละขั้นฌานสี่ขึ้นไปจิตก็จะไม่เดือดร้อนกับความเจ็บปวดอะไรของร่างกายแต่ถ้าจะดีกว่านี้ก็ต้องไปขั้นปัญญาสอนใจให้รับกับความเจ็บปวดอย่าไปโก้ความเจ็บปวดมันไม่ใช่เป็นสิ่งที่หน้ามันไม่ใช่เป็นสิ่งที่ทำให้ใจทรมานความเจ็บปวดของร่างกายนี้ไม่ได้ทำให้ใจทรมานสิ่งที่ทำให้ใจทรมานคือความทุกข์ ความอยากของใจอยากให้ความเจ็บปวดหายไปพอเราหยุดความอยากให้ความเจ็บปวดหายไปได้ความทุกข์ทรมานใจก็จะไม่มีความเจ็บปวดของร่างกายก็เหมือนเข็มฉีดยานั่นเองมันไม่ทรมานเหมือนกับความทรมานจากความอยากของใจจำเป็นหมายที่เราจะต้องอุทิศบุญกุศลให้เจ้ากรรมนายเวรครับก็อยู่ที่เราอยากจะอุทิศหรือไม่อยากอุทิศก็อุทิศได้ ไม่อุดทิ้งก็อุดทิ้ได้ในการอดอาหารควรดื่มน้าปาน้ำใหมครับแล้วแต่ว่าเราต้องการทำอย่างเข้มข้นหรือไม่ถ้าต้องการอย่างเข้มข้นก็ไม่ดื่มอะไรนอกจากน้ำเปล่าไม่กินอะไรดื่มน้ำอย่างเดียวอันนี้เพื่อกำจัดกิเลสตัณหาความอยากกินอยากดื่มอะไรต่างๆเพื่อที่จะทำให้การเจริญสตินั่งสมาธิ เป็นไปได้อย่างง่ายดายและราบรื่นไม่มีแล้วนะโอเคเดี๋ยวเอาเอ า, เอ า, เอาสองมไม้แบงคบ น, น้องกราบน้ำมการครับพระอาจารย์มีคำถามแบบเด็กๆมาถามพระอาจารย์คือการกินมื้อเดียวของโยมที่โยมกำลังทำอยู่เนี่ยคือมื้อเช้า ยอมจะกินผ ล, ลไม้ตอนประมาณ9โมงแล้วก็ทานข้าวประมาณ11โมงอันนี้ถือว่าเป็นมื้อเดียวไหมคะพระอาจารย์สองมื้อนะสองมื้ <c oughs> อเมื่ <c oughs> อกินีนเดียวพร้อมกันไม่ได้เลยทําไมต้องแบ่งแบ่งอีกเวลาเติมน้มาํามันเราเติมทีึ่เติมทีเดียวให้เต็มถังเลยมลันก็เหมือนกันสมัยเราเติมน้ํามันรถอ่ะเติมน้ำมันรถไปถึงปังก็บเอาเต็มถังเลยเวลาเราเติมน้ํามันให้ร่างกายก็เอาทีเดียวให้มันเต็มท้องไปเลย ไม่ต้องกลัวหรอกไม่หิวหรอกไม่ตายหรอกอยมก็กะว่าแบ่งแบ่งมื้อเช้าเป็นผลไม้นิดหน่อยแล้วก็ไปสิบเอ็ดโมงอันนั้นมันเป็นกิลเลสแล้ว อ, อยากจะกินหลายรอบเราปฏิบัตตามเพื่อตัดกิลเลสเจ้าค่ะแล้วก็มีอีกข้อนึงถ้าเราแบบนี้แล้วเนี่ยถ้าเราเป็นมื้อเดียวจริงๆแล้วกลางคืนเราต้องกินวิตามินอย่างเงี้ยภาจารย์มันจะถือว่า เอาได้าเป็นยาไม่เป็นไรยากินได้วิตามินกินได้ใช่ไหมคะแต่ยาเป็นยาเสริมอย่างแบรนด์นี้กินไม่ได้ค่ะอย่างอย่างวิตามินดีสิบสองได้ได้ถ้าเป็นยายาได้วิตามินได้โอเคค่ะอาจารย์ขอบคุณมากค่ะถ้าได้ถวายปัจจัยแด่พระสงฆ์เป็นค่าพัตาหารสําหรับแต่ละเดือนเป็นเวลา หเดือนล่วงหน้าและผู้ถวายได้เสียชีวิตไปแล้วแบบนี้ผู้ตายจะได้บุญใหม่เจ้าคะได้ได้ตั้งแต่ถวายวันวันวั น, วนที่ถวายนะวันนั้นละมีกคยอยากจะถามอีกไหมถ้าอยากจะถามก็เชิญเข้ามาถามได้นะมีมีไม้ให้พูดจะได้ยินกันอย่างชัดเจนถ้าไม่มีก็เอาแค่นี้ก่อนสำหรับวันนี้เวลาก็พอสมควร